ุทธวิธีคลายโศกการพบกันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความพลัดพรากเมื่อวันเวลาที่ต้องพลัดพรากจากบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รักได้มาถึงเมื่อนั้นความเศร้าโศกเสียใจก็บังเกิดขึ้น นี้เป็นความจริงที่ขมขื่นและปวดร้าวที่คนเราต้องประสบอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้มวลมนุษย์จึงถูกลูกสอนคือความโศกทิมแทงจิตใจมาโดยตลอดเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังระงมไปทั่วน้ำตาแห่งความโศกต้องหลั่งรินอยู่ร่ำไป เพิ่งผ่านพบศบกันผ่านพัดพลากไม่อยากจากก็ต้องจากยาก ผ, ลผล่อนผันจำใจจรจำรากจำจากกันทุกชีวันเป็นเช่นนี้หนีไม่พน้น เมื่อพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกอาศัยพระองค์ทรงเป็นกัลยาณมิตรบุคคลผู้มีความโศกความร่ำไรความทุกข์ความเสียใจและความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากความโศกความร่ำไรความทุกข์ความเสียใจและความคับแค้นใจได้ ในปัจจุบันแม้พระพุทธองค์จะปรินิพานไปนานแล้วแต่ธรรมะซึ่งเป็นโอสถขนาดเอสำหรับคลายความโศกก็ยังคงมีอยู่เป็นอันมากและได้ถูกนำมาเสนอในที่นี้เพื่อเป็นกัลยาณมิตรคอยปลอบโยนผู้ที่มีความทุกโศกให้หายทุกคลายโศก มรณามาพรากให้จากกันแสนโศกสันน้ำตารินนิสิ้นสายพุทธวิธีคลายโศจะช่วยคลายให้โศหายคลายทุกข์มีสุขใจ